สังคาทิเศษสิกขาบทที่เก้าสองสิบหถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศษแก่ภิกษุณีทั้งหลายผู้อยู่คลุกคลีกันไม่ยอมสลักจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งณนะที่ไหนตอบ ทรงบัญญัติณครุงสาวัตถีถามทรงปรารพใครตอบทรงปรารพภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปอยู่คลุกคลีกันในสังฆาทิเศษสิกขาบทที่9้นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติ6สมุดฐาน เกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเป็นธุระนิเขปะสมุทฐานละ